วันนี้เป็นวันมาคบูชาแลวเป็นวันตรงพระชนคือค่ากับวันตรงพระชนของพระพุทธเจ้าือจะลาโลดลาสงสารนรืลาลุนจำแห่งวัฏจักรสลักธาตุขัน เพราะอินทร า, าเวตจักขันธามาเป็นเวลา80พระพรรษาแล้วหนักแบบมาถึง80ปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือธาตุคือขันอย่างอื่นเบาข้าเรามา้หนักนี่ก็กินไปกินไปหมดไปหมดไปแล้วเบาน้ำต่างมาก็ มาช้ามาสอยหมดไปเบาถ้าขันแบกมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเฒ่ายิ่งแกกําลังปังชาที่จะแบบจะหาไม่พอแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลํำดับนั่นคือว่าภาระเขาเริ่มจากขั้นถ่ายขันทั้งหา้างเป็นภาระอันหนักแบกรูแบกกายหนักแล้วยังไม่แล้วของแบกบทุกเวทนา ที่มีอยู่ในกายแบกสังญาแบบสังขารแบบวิญญาณ่นต้นแรกตั้งแต่เป็นขอ ง, นงหนักหนักน้ังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยต้่งเคียมหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้ามาพายาตจิใจนะพระพุทธเจ้าตั้งก็ทรงแบบธาตุแบบขันอยู่ถึงแปดสิบพระพันตาแล้ววันนี้ผุ่นง่ายๆวโอ๊ยเหลือคนแล้วว่ะ ลาสักทีทเถอะรงตรงถ้ะชนตรงอายุสังขารจากนี้ไปสามเดือนจะเด้สลาดปัดทิ้งภูเขาภูเรานี้สักที่ะเพิ่นมันดาท้าสาวกัราหันหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์ ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอัตยาสายใจน้ำใจของตนเองซึ่งไม่ต้องถูกเชื่อเอนิมนมาแม่แต่องค์เดียวมารวมกันในเวลานั้นวันนั้นโดยความเพีย ง, ยงนี้ได้ประทานพระโอาวาทเป็นยิสุ ธ, ธิอุโบสถขึ้นาให้บรรดาสาวกอรหันทั้งหลายเป็นเครื่องรื่นให้ลื่นเริง การทำของพระพุทธเจ้าที่ประทานเห่นั้นในบทความย่อสัปปะปัสสะการนังกุศลสู้ปสัมปดาสกิตะประโยชนปานังเอตังพุทธานาสาสนังอุปวาโดมุปปคาโตปฏติโมคเฆจะสร้างวารมัตตนิตาจะผัดตัดนิมพันตัญจะสียนาสนังอธิกิเตจะอาโยโกเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นพระโอวาทที่ แตทายให้เป็นเครื่องรื่นเรองแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอาหารหันหนึ่งพันสอง้อห้าสิบองค์นั้นในเวลาบ่ายซช่งคล้ายกับวันนี้เพราะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรื่นเรองสำหรับทร้สาวกอาหารหันเหล่านั้นไม่ใช่แสดงเพื่อให้ท่านเหนนั้นเป็นผู้ซักพอกเป็นผู้นำไปวระพฤติบัน เพื่อกำจัดสิเลตอสระออกจากหิดใจเพราะท่านอันนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนแล้วทั้งนั้นจึงเรียกวิสุทธิอุโบสถอุปทานพระวาาทในตำากลางห่งพิกษุผู้บริสุทธิ์1ันสองร้อยห้าสิบงค์ก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยในศา ส, สนาของพระเจ้าตอนที่ยังสมพระชนอยู่และตลอดไปคงไม่มีซ้าอีกแล้ว ที่เราละลึกถึงท่านนั่นก็เห็นว่าเป็นความสำคัญที่นำาเอาคทาราะว่านันมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความจัดี่เรื อ, อาสระที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราสัพพะปัสสะมรรณงคำว่าบาตก็คือความสร้าหมองความทุกข์นั่นเอง บาปทางใจนั่นะสําคัญมันสร้างได้ทุกเวล า, าทางกายทางวาจายังมีการมีเวลาบัาง่งแต่บาปทางใจหยุสร้างความสมองขึ้นมาแต่จิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความคิดความปรุงของตัวเองซึ่งนสิ่ ง, ง, งที่ผลักดันออกมาให้คิดให้ตรุงเพื่อความสมองก็คือเป็นคือสิ่งที่เศร้าสอมองอยู่แล้วสิ่งที่โกรกโกรกอยู่แล้วภ า, ายในจิตใจทำเดียวกับกิเลส ทีเด่เป็นเครื่องตวแต่งสัญญาทั้งขาเนี่ออกมามันเป็นกี่เด่อีกประเภทหนึ่งนั่นก็ทําจิตใจให้เศร้าหมองนี่คือการทําบาปทมเศร้าหมองอไมาทั้งหมดพิจารณาชกหาลักหาพลหาสุโขทัก็ตามอันนั้นเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดข้างนอกข้างใน สร้างบาปอยู่ข้างในสร้างความสมองอยู่ภายในจิตทั้งตนเองใจของตัวเองก็เป็นความสมองนั่งอยู่ก็สมองเพราะนั่งอยู่ก็สร้างความสหมองให้แก่ใจยืนเดินนั่งนอนคิดได้ทั้งนั้นคิดเพื่อความสหมองใจจึงสมองได้ทุกอวัยวะท่านสอนให้การไม่ทําความสมองนี้ประการหนึ่งจะทําด้วยเหตุใดต้องจะไม่สหมองกูจะสู้ไปรสปร้างบาปประดา ให้ยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะซักพอกความเศรมองบาปในบทต้นนั้นออกจากจิตใจได้แล้วกลายเป็นสกิตะประโยชน์ปัญญังขึ้นมาคือใจจะเป็นความผ่องใสเมื่อความความฉลาดมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องซักพอกบาปความเศรมองสกปรกทั้งหลายออกจากใจใจก็เป็นความผ่องใสขึ้นมาที่เรียกว่าสกิตรประโยชนัแนะปัญญัง เป็นความป่องใสขึ้นมาเมื่อชาระอยู่ในถอยด้วยความฉลาดบาดน้อยบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่ถ้าโวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทําอย่างนี้ด้วยกันจึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือกหากว่ามีทางที่พอที่จะเลือกให้พรหนักพ่อนเบาได้ไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า คงจะสารเปลให้พวกเราที่ได้ซ้าไปสารเปลให้นอนอยู่สบายสบายเถอเราทำทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยเอะให้สบายเลยต้องไปทำอะไรทั้งหมดแหละถ้าอาวาอัตอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาหมาานอนอยู่เปรสบายเถอะเปรเราก็ทำให้เรียบร้อยแล้ว ท่านเขจะสอนอย่างนั้นแต่นี้มันไม่มีไม่มีทางที่จะทําได้อย่างนั้นถ้าองค์เองแต่ละพระองค์ซีบจงบําเพเ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพทุทธเจ้าชาระกิเลสออกหมดจากพระทยัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ชาระด้วยวิธีเปล์วิธีหมอนพอจะสร้างเปยสร้างหมอนในพทุทธบริษัทได้รับความสะดวกสบายไปที่ไหนหาผามเปยหมอนนั้นไปพเพื่อแก้กิเลสจะได้สะดวกสบายเล ย, ยไม่มี จึงต้องสอนลงในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมนี้ดับดับดับเ <c oughs> ถอะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเลือกเฟ้นเต็มสติกําลังความสามารถแล้วที่จะได้ธรรมะมาให้เหมาะสมแก่ บ, บรรดาสัตว์ทั้งหลายคำว่าเหมาะสมนั้นไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับความชอบใจของบรรดาสัตว์ความเหมาะสมในการแก้ทีเหลืของสัตว์โลกนั่นเอง มีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นปุ่นหนึ่งหานี้มีสัพพาวัฏะอาการังกูจะสู้ประซึ่มประดาส ศ, ศ, ศ, ศรษฐกิจตะเพยระป น, นังมีเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใดที่กิเลสจับกลัวกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้มีวิธีนี้เท่านั้นน่ะประิยาไปอีก ก, ก็ก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโด จะไปกล่าวร้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีอันดุบคาโตอย่าค่าอย่าทำลายหรือทำร้ายจัตถุมนุษย์เนี่ยไม่ดีปาติโมเขจือสังวโรให้สร้างรวมอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่จะเป็นเครื่องตอดถอนกิเลสเนี่ยมัตตัญิตาจะพัดตัดสมิงมรู้จับประมาณในการหยุด การกินดู่ปูวายด้ให้พุ่งพลวยเป็นผลเหตุเกินผลถล้านักปฏิบัติสอนอย่างนั้นหรู้จัดประมาณปัญจจกเสนาสนั่งแสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัดเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อความวิเวกนั้นนั้นอธิจิตเตะใจยโยโ องประกอบติดให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่ขยายความออกมานะก็มีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเตตังมุทานาสาสนังเหมือนกันนี่เป็นภาสาพุทธเจ้าทุกๆองค์เช่นเดียวกันนี่ท่านเลือกเฟ้นเต็มกำลังความสามารถแล้วไม่มีถ้าจะเราก็พูดแต่ภาษาเราให้สบายๆท่านพยายามหาหมอนให้พวกเราสบายๆหาเสือ่อหาหมอนหาที่นอน หมอนมุงไล่ ย, ยูงออกหมดอย่าให้มีอะไรมาววรบกวนเลยอยู่สบายๆพวกนี้กิเลสจะได้หมดไปด้วยวิธีนี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทำเพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์เวลาประกาศทำให้เป็นเครื่องดุ่นเริงแก่บรรดาสาวกท่านก็ต้องประกาศอย่างนี้เวลาสอนสาวกเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ท่านก็พยายามสอนวิธีที่สัพาวาัส า, ากนังนี้ทั้งนั้น ถึงเป็นความจําเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะ ท, ทําทิเดศให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลําดับๆในพระโอวาทที่กล่าวมานี้เท่านั้นนยากก็ต้องไปแถบทางนี้ลําบากหุ่ขะสะดวกสบายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นถึงจะเป็นความเดินลัดตัดตรงไป เพื่อความพ้นจากพวกโจรประการทั้งกลวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกพระอาว่า น, นี่ถึงใจพวกเรา ไ, มไหมพี่นายถึงพระไทยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถอดออกมาจากพระไทยมาสอนพวกเราพวกเราถึงใจไม้มพระองค์ให้เลิกพระเมตตาเต็มพระไทยพวกเรารับเติความจรงรับทั้ดี เต็มกิดเต็มใจมากน้อยประ ก, การใดบ้างถ้าว่าการรับทาบุจจะทิ้งสีทิ้งเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่สมเจตนาที่พระพุทธเจ้าทรงประธานพระวัาทให้โอ้หกขัง <c oughs> เดือนมาแล้วถึงวันเดินหกเทน ก็เป็นวันทรงโปรงสังขารที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันเดือนสามเพ็ญเช่นค่ากบันนี้จากนั้นมาก็ เ, เ่ิงทานึล่วงขันสิ่บังคับหรือกอกวันนี้ก็หมดซึ่งไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาีิเสสานิพานล้วนๆหมดความกังวล หความนับกิดชอบในสมมติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยตรงนี้เรียกเหมือโลกโลกก็คือสมมตินั่นเองสมมติน้อยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นสามโลกคือโลกของความสมมติของความเสียสันของความแปรปรวนโลกแห่งอนิจจังทุกข์ของหน้าตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้ ตลอดสายไม่ว่าจะเป็นภบใดชาติใดเป็นโลกที่หมุนไปด้วยอันนี้จังทุกขังหน้าตาเป็นเจ้าอำนาจเป็นทางเดินใครจะ ห, ห้ามไม่ได้พอพ้นจากนี้แล้วก็หมดปัญหาไปมิขาโตเปนี้บูโตคือดับสนิทไม่มีสมมุติใดๆเหลืออยู่เลย ธรรมนี้เป็นเครื่องกังวานอยู่ในความจริงที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกคนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทาเหล่านั้นก็จะมากังวานอยู่ภายนจิตใจของเรารนต้นก็จะกัางวานอยู่ในความสงบร่มเย็นภายในจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นๆแล้วก็จะกังวานอยู่ด้วยปัญญาความคิดค้น สาเหตุทาผลพวกต้องตนหลุดพ้นเราได้เป็นระยะระยะสุดท้ายกับกลางวันถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงฮิชาตโตเป็นนิบุโตดับความหิวโหอยอะไรทั้งหมดเพราะกิเลสทุกประเภทเป็นเชื้อความหิวโหยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลส เาจะยกน้ำมหาสมุทรมาทั้งมหาสมุตก็สู้ความหิวนีน้ไม่ได้นัดกิจตันหาสมาณทิความหิวโหยที่เกิดอนำนาจของกิเลสนี้จะเอาแม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้นี่เต็ ม, มในหัวใจของสาตร์โลกไม่เคยบกพร่องเลยตลอดการไหลไหลไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนข้างขึ้นข้างแรงให้เหมือนน้ำมหาสมุทรซึ่งมีการขึ้นการลง แล้วจะเอามาสู้น้ามันนี้ได้อย่างไรแล้วนี่จะหัวแท้งด้วยวิธีใดหัวแท้งด้วยการมิตรโดยทางความภาคเพียรของผู้ปฏิบัติน่ค่อยหมดไปหมดไปพร้อมทุกวันพิจารณาทุกวันเข้าใจทุกวันกดเคื่องเพอได้ทุกวันน้ํามันนี้ก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะักเท่าขันเรานี้เนี่ยอืม ผูกประคันเนื้อนาขันธนาขันทั้งขานขันเนี่ยมันก็มีเท่านี้แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ทธงกิตที่ยึด ท, ยที่ยึดที่ถือแผ่นดินทั้งแผนมันก็ไม่ไปยึดมันมายึดเอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเป็นฟูนเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมชาติอันนี้อไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหม้มันไม่หมุ น, มน ไฟกิเลศทันหาสวะซึ่งมีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจเผาที่ตรงนี้จึงต้องน้วิตย์ออกน้ำท่วมนี้เราเินได้ยิ น, ยนแต่น้ำท่วมปอดหมอฉีดหรือสูบออกช่วยน้ำกิเลศทันหาสวะมันท่วมจะเอาอะไรมาสูบดูดออกละ่ะ เนาจม่ศรัทธาความเพียรสติปรรัญญามี่ทำงา น, นไม่มีทางต่ออันนี้ดูดออกเพราะที่คิดจินตนาเขาเห็นชาติตามเป็นจริงมันไปถืออยู่กับอะไรแต่สําคัญอะไรอืธรรมดายุเรศมันต้องอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าต้องอวดดีกว่าธรรมอวดดีต่อธรรมจึงเป็นคู่แข่งของธรรม ความยึความถือเ่องนี้เป็นเรื่องของยิ่งเลเ่การพิจารณาที่ถอดถอนยิ่งเล่นี้คือธรรมหอมเนยปันดาปันดาก็คือธรรมฝุดพ้นไปแล้บความสุขก็คือนิพพาน ธ, ร, นธรรมอวิสุทธิธรรมนีเป็นคู่แข่งตับวิจารเวลาเราพยายามอย่าให้แพ้อย่างนี้เวลานี้เราขึ้นเวทีแล้วอาเป็นแชมเปี้ยนใช่สู้ไม่ถอย ตายเท่านั้นถึงใจเขาหาลงเวทีถ้ายังไม่ตายล้มลงก็พออะไรสู้สู้มันไปสู้ไม่ได้ก็แช่งลงบนเวทีปไปนเลยมันนักสู้ว่ะสู้เขามันน่ก็ด่าพ่อด่าแม่เข้าไปด้วยกว่ฉันมีอาวุธอันนี้นะ่ะเราว่านั่นทีต่อยไม่ได้ <c oughs> ฉั้นสู้ไปฉันต่อยไ้ฉันล้มลงก็ปากฉันงล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มีวะว่ะสู้มันถนัดหนั้ น, น, นั่นเลยนี่เรียกว่านักรบนา นี่เราเทียบนักรบแม่นวมไม้ต้องไ ป, ไปด่าไปใช่นคนอื่นไม่ได้นะอื้ยวันไม้ถึงเวลาสู้กี่เละเอานขนาดนั่นนะเรเห็นไห ม, มนะครูบาอาจารย์เาเห็นประจักษ์อย่างนี้ที่เราได้กราบไหว้บูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นนะงั้นท่านก็ได้ใช้ชนะมาด้วยวิถีใช้ใช่เอาท่านอาวิถีไหนมาสอนพวกเราที่สอนแบบบวชเปรยอย่างบ้านเหรอถ้านอย่างนั้นคระทอามาสอนแล้วนี่ ครูบาอาจารย์จะไปอวดดิบวดดีเอาอนั้นมาสอนลูกศิษย์ได้เหลอหอะจะต้องเอาความต่อสู้ความทะรหดกดทนพิจนาคลิกแพงเปลี่ยนแปลงเรื่องปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมผมสามารถที่จะถอดถอนตนได้จากลมเล็กที่มันตักจมอยู่ภายในธาตุในขันนี้เป็นเวลาร้ายกลับนับใมเ่เถินสุดท้ายก็ปรับอยู่ที่จิ อถอนมันไปหมดถ อ, ถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากทานาน้ำทานลมธาตุไฟนี้ถอนจิตของเราออกจากทุกเวทนาที่ขับใจว่ า, าเป็นตนนี้รูปถอนออกจากระรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอนออกจาเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ ถอนออกจากสัญญาทั้งขาหนึ่ญาณที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกพยายามถอดถอนตรงนี้ด้วยปัญญา <c oughs> อำให้ทันจิตเป็นของละเอียดรอเป็นของยิ่เสดยิโสธาตขันน้อยนี้ยิ่เสดยิโสอะไรถึงเจอแดกกรหามเขากระยุบ ไ, ไปถือเขาถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเป็นภูมิถึงไปยอมแดกสิ่งที่ห ย, ยาบหยาห่า ฉลาดแล้วก็ไม่แบกบนี่รู้เท่าทันล่อตามธรามชาตของมันเนยเป็นแบบเป็นธรรมะคนลงตายสติปัญญามีแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องตายน่ะกลัวไปหาอะไร ค, ความขูมเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วตควากลัวทําไมสร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายแน่ๆแล้วไม่มีอะไรตาย พิเรมันโกหกเราอยู่ตลอดเวลาเผลอทักเดียวมันเข้าย่องเข้ามานะ้วนะเราจะตายวันไหนจะตายวันนั้นตายวันนี้อตายที่นั่นตายที่นี่เลยเคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละดูดูคิดยุ่งธาตุมันอยเฉยไม่ว่าอะไรเราเป็นคนยุ่งเองก็คือใจเป็นคนยุ่งเองอใจว่ารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบอะไรมนาะต่อควรตัวเองไม่ใช่รับผิดชอบทําอย่างนั้น การรับิดชอบของเองต้องเป็นประเดยปัญดาที่จะนาถอดถอนที่นาปลดครื้มความกังวลวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นการตายการเปรียบใครอะไรๆเปลือมันให้มันเห็นความจริงไปทั้งหมดนั่นก็สบายเท่านั้นแหละความสบายอยู่ที่ตรงนี้ความา ร, รับผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้ใครชนะก็อยู่ที่ตรงนี้ ย, ยินตะข่าวท่าน เป็นพระราหันเป็นพระรหันหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์เนี่ยวินจะคาวท่านะคุนั้ น, น, นสําเร็จโสดาคุณท่านสำเร็จส ก, กิทาคัณท่านสำเร็จอนาค า, าคาุณท่านสำเร็จอราพระหัสขาวของเราเนีแต่ความอ่อนความแอร์ความท้อแท้ท้อถอยอืม ทวามอับเฉาเบาวความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายมีแต่ข่าวของเราขาวของเราเป็นไปอย่างนั้นอย่นี้มันก็ข่าวของเราเป็นงั้นก็ทุกมันก็เป็นข่าวของเราความจมกากกับข่าวของเราอีกแหละเนี่ยที่ในตัดทานานมันก็มาเป็นขาวขงเราเพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดาทำมานี่ไว้เพื่อใครว่างนั่ง ไ, ได้ก ที่สอนว่านี้สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นธรรมะนี่สอนเพื่อใครถ้าเรสอนเพื่อเราความเพื่อเราเพื่อให้แก้อะไรแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่เน่มันก็ไม่อยู่ที่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้ามาทรงชี้แจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้พระสดร้อนร้อนใครที่ไหนธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวของเรา แล้จะไปฆ่าตันหมายคนที่ชอนิพพานอยที่โว่ที่นี่พระธรรมทั้ทสอนทั้งโน้มทั้งนี้ความจริง<ต>ไม่มีการมีสมัยอมีอยู่กับบุคคลทุกคนผู้สอนแสวงหาความจริงอืมศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้ละสมัยไม่มีการต้อมีสถานที่มีอยู่กับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกการทุกเวลานในใจของจัตุโลกไม่นะว่าข้างรรกระตกรุ้นหรือข้างนี้เป็นคนมีกิเลสด้วยกัน การแก้กิเลสก็ต้องแก้โดยสีสมาธิปัญญาศรัทธาความเปลี่นของเราด้วยกันมันจะห่างเหินกันที่ไหนไม่ได้หางนี่แก้ให้ถูกจุดเธอพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้นนถึงสว่างสวัยที่สุดเบิกออกตรงไหนมันติตเขาติดกงบังใจมันมีขุ่นมีมัวตรงไหนจ่อปัญญาลงนั้นจ่อสติลงไปตรงนั้น พิจนาอันนั้นเป็นอารมณ์มันสมองเรื่ไหนความสมองเป็นสภาพอันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยเหอนกับความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอ้อนี่มืดผู้ที่รู้ว่ามืดมันมันมันมันมันไม่ได้มืดเนี่ยเอถ้าว่ามันก็รู้มืดมันก็รู้อต่มืดข้างในภายในใจเราก็รู้อับเฉามันก็รู้ผ่องใสมันก็รู้พูดรู้รู้อยู่ปัญญา พิจารณาเข้าไปหรือเอาจุดหรือถือเอนั่นเป็นเป้าหมายพิจารณาเราอย่าไปตกใจอย่าไปดีใจเสีย ใ, ใจกับความเศร้าหมองกับความอับเฉาที่ปรากฏขึ้นมา จ, จิตใจถ้าเห็นว่าสภาพนี้เป็นสภาพหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับนอกประจักษ์ใจเป็นแต่เพียงอาศัยใจเกิดขึ้นแล้วเกาะ อ, อยู่ที่ใจเท่านั้นให้เราทราบมันทุระยะเราจะไปแสดงความไม่ตุวิการกำมัน อะไรผ่านเข้ามาให้รู้หมดชื่อนักทุษานักปฏิบัติต้องทุษาให้รู้สอบส่องด้วยปัญญาให้เข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏกับตนความรู้แท้ไม่ได้มีขึ้นมีลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นาการอันหนึ่งที่จะให้เราทราบเมื่ออาการเหล่านี้มันหมดไปก็เหลือแต่ความมือถุนล้วนเท่านั้นและไม่ต้อ ง, งไม่ได้กังวลกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปการที่เราได้พิจารณา และได้พบได้เห็นสิ่งอย่างนี้เสมอภายในจิตใจก็เพราะสิ่งนี้ยังมีก็ต้องประกาศความมีข้งตนให้เราทราบถ้าต้องการความจริงก็ต้องดูดูความจริงที่ตาปวดขึ้นทั้งความเศร้าความใสอืมทั้งความอับเฉาทั้งความสุกความผู้กข์นปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อทเรารอบด้วยปัญญาเพราสิ่งอันนี้เป็นเป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราจะต้องรู้กันทั้งนั้นด้วยปัญญาของเรา เรียนจบจุบตรงนี้นะไม่จบที่ไหนจบปัญญาตรีปรัญญาโทปัญญาเอกว่าอะไรนันหาานาบรียนประโยคสามประโยคสีประโยคห้าประโยคเก้าว่าอะไรั้นเน่ยนอกนะลําดับลำดาเท่าไหร่ก็มาสิ้นสุดสิบห้าประโยคสามสิบประโยค ก, ก็ว่าเป็นกันไปได้ แต่กิเลสมันสรางเปประโยคไหนที่มันอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลานี่มันต่ําเต้าคนเมื่อไหร่อํนนานาจมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าฉลาดมันก็เหยียบย่าทำลายมันลงไปได้นี่หเราสร้างคุกที่ตรงนี้เรียนความรู้เรียนทุกอย่างนี้ญญาตรีกันมันรอบตัวงสีสมาธิปัญญาปัญญาตรีอ่าตรงนี้เนี่โทรก็เลื่อนท่านเป็นไปอื่ เอกมันมีเอกกิจเอกธรรมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวอย่างเราเห็นคนตาบอดข้างหนึ่งเสียอยู่ตาข้างเดียวก็ว่าเอกยานเป็นเอกแบบนั้นถ้าเยแบบนั้นแหละมันเอกอีกที่สองที่เสร็จนะอนั่งบอดข้างหนึ่งแล้วยังเหลืออีตาเดียวแล้วนี่จะชมมันเอาทําลายตาแล้วเอกเสียเอาที่นี้จะชมไป่แค่ไหนมันไปไม่รอดเอกแบบหนึ่งเดียนี้เอกของบุทชาจริงเอกกิจเอกธรรม เรียนให้ถึงขั้นปริญญาเอกนี่เองปริญญาปริญญาก็รู้รอบนี่มันต้องจะเป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้อย่างไรรอบแล้วของนี่แหลจะจาของมันโง่ปัญญาก็ามาไ่กองที่นี่ปีนาธรรมะถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวธรรมะทำแท้เป็นอันเดียวจิจกับธรรมเป็นอันเดียวกันทุกทางธรรมงังขัน้นางสันนัตถานี้ ลงในธรรมอันเดียวทั้งนั้นธรรมโมปดีปโปสว่างรกระจ่างแสงอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกนี่คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการ น, นี้เป็นแท้ธรรมแท้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธทางธรรมังสัขงขารสังขารามนี้เราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเจนะ้าหน้าย่นเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในองค์แห่งความรู้สึกภายในใจของเรานี้ ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสรณะทั้งสมนั้นให้เห็นชัดเจนภายในจิตใจมีเชื้อสร้างสรณะขึ้นภายในตัวเองอัตตาเห็นเป็นมาโผเป็นผู๋ม่ต้องอาศัยอะไรแล้วนี่พุทธะนี้ชั้นใดธรรมะนี้ชั้นใดสังขานี้ชั้นใดพุทธธรรมนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบนะเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหน เอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอาทำทั้งดวงในความบูรุษเรานี้บูชาท่านเข้ากันได้สนอ่อไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุทธะของท่านฉันใดพุทธะของเราฉันนั้นทำนั้นทั้นใดทำนี้ฉันนั้นเป็นอันเดียวกันเลยไม่สงสัยแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่สงสัยเพราะเป็นอาการนี่ ท่านถ่านลืมขันท่านปล่อยทานถ่านขันตั้งหะในสถานที่นั้นการเวลานั้นปีนั้นพอสอนั้นแห่พระสงเช้าวอก่อนเรืงการท่านนิพานไปแล้วหายหมดถุงสิ้นไปหมดไม่ต้องได้คิดอย่างนั้นนะต้องถึงความเห็นผิดก็ควรเป็นบทบาสังโคคืออะไรก็คือผู้ทรงผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในขณะนี้นั่นแหละคือสังโคแท้หาหน้าที่ตัวของเราเป็นอัตตาอิจฉานูนาโถ สร้างที่พึงให้เพียงพอตรงนี้เป็นจุดสำคัญเปิดเรื่องตาก็จะเป็นขึ้นที่ตรงนี้แต่ตายที่ไหนที่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่จิตจะปลดเครื่องตนออกจากสิ่งที่เป็นไทยทั้งหลายให้หลุดพ้นที่ไหนเป็นที่พอใจเป็นจุดที่เราต้องการเอาตรงนี้ แต่กัวงวลกับเรื่องอะไรทั้งหมดโลกเขามีอะไรละ่ะมีจิตใจของเราไปกัวงวลกับเขาอย่างเดียวหาเรื่องหาลานะมายุ่งตัวเองตัดออกเพื่อสติด้วยปัญญาของเรามันไหเห็นมหมอยู่ที่ไหนก็เราคนเดียวอื้อยู่คนเดียวเท่านั้นละ่ะเกิก็เกิดคนเดียวลุงล้อมอยู่นั้นไม่ใช่ผู้เกิดในขณะนั้นคือเราเท่านั้น เก็ดกับเราตอนนั้นผู้เกิบตายก็เราตนั้นผู้ตายคนอื่นตายแทนไม่ได้เกิบแทนไม่ได้เราเป็นคนตายแทนเราต้องเป็นคนตัวเถองมาทำกันมาโถด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่งของพระเจ้าสันตรุพิชนตรงอดิสังขารในวันนี้ แล้วก็โปร่งที่เหลือทุนหาอาสวะใหมันตกให้ในวันนี้นตัวนี้แหละตัวสําคัญตปรงให้ตกเคลือการตายเมื่อไหร่ก็ตามมันจะไปตายวันนั้นวันนี้ดังพระเจา้าลันว่ากันไม่สําคัญนะสำหรับเรานะอืมันหมดลมหายใจเมื่อไหร่เป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราแล้วเอาแค่ลมหายใจหมดนี่เ น, นั้นลมหายใจยังมีอยู่ก็ยังไม่ตายเอาหายใจไปเรื่อยไป เปัญหาอะไรก็ยังหนีรื่อรวมๆแรงๆสาคัญก็คือเราสร้างหลัเกเพื่อให้จิตใจมันเป็นอัตโนมิพระอาจารอัตโนตมัตโถอย่างเต็มพูม น, นั่นเป็นที่คึงพอใจอาการเป็นการตายตายที่ไหนตายที่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมติอะไรละการแสดงทรรมก็ยังสมบูรณ์อริยปิแนั่น